หนังสือก็ไม่ค่อยเป็นเพียงรู้วิธีเรื่องราวการปฏิบัติเพื่อทับทุกขอนั่นเองดังนั้นเราเป็นคนไทยทุกคนที่เป็นคนไทยว่าแสดงตนว่าเป็นคนไทยรักราศ า, าสนาพระมหากษัตริย์ถ้าพระสงฆ์ก็เรียกว่าเรามาทำให้อายุพระพุทธศาสนา จเจเลินกล่าวหน้าเราเราเคยพูดกันอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้นเราจะควรทำอย่างไงแก้ไขอย่างไรประพฤติปฏิบัติอย่างไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติเอาไว้แม้กระทั่งญาติโยมแบบนี้ เมื่อเราลักสร้างศ า, ศาสนาพระมหากษัตริย์ถือว่าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องศึกษาว่าประเพณีขนบธรรมเนียมของคนไทยเนะี่ยเป็นยังไงเราควรศึกษาเอาไว้อย่างนี้ทีนี้ผมดูมันจะหลงเสียงไปเสียแล้วเพราะผมพูดภาษากลางไม่ค่อยเป็นมันมันจะหลงเสียงไปใช่ ผมจะได้กลับมาพูดว่าผมเป็นคนสาวจังหวัดเลยครับและผมก็เป็นคนแก่ผมไปไปกรุงเทพเนี่ยครับทีแรกคนกรุงเทพฟังภาษาเมืองเลยไม่ค่อยรู้เรื่องครับฉะนั้นคนไทยด้วยกันก็ฟังภาษากันก็ยังไม่เข้าใจอยู่แล้วเราจะไปเรียนภาษาอินเดียก็ยิ่งแล้วก็ยิ่งมีสับแสง สมัยนี้คนไทยถ้าจะพูดในทางพระพุทธศาสนาก็มักสับแสงกันทำของน้อยให้มันมากขึ้นและทำของที่สบายให้เป็นความยุ่งเราก็เลยศึกษาหลักพุทธศาสนานั่นก็เลยไม่พ่อยากจบโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนักศึกษาถ้าใครพูดเป็นสับแสง เป็นภาษาสัตว์แสงใหม่ๆก็ติดอกติดใจสิ่งที่เป็นเดิมหรือมูลแท้ของปู่ย่าตายายของเราคือของคนไทยแท้ๆนะครับไม่ค่อยอยากรู้เรื่องไม่รู้จริงๆเอาแหละบันนี้ผมจะว่าว่าภาษาบ้านเฮาลค่ะบันนีผ้ผมลงเสียงเมื่อกี้นี่ ผมลงเสียงไปเนะี่ยมันผมบบธนัดครับผมไปว่าอย่างจนึ่งครับว่าเออคนเราทําไมจึงผู้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยหรอเป็นอย่างไงนคนงุณถามเขาตอบว่าทําไมผมเป็นคนไทยผมก็ต้องรู้เหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นผมผมก็เลยบอกว่าโบลูสิ่งที่โบลูสมมุติว่าซื้อขนนี่นะครับ ซื้อคนนายกนายขอนี่ครับทีแรกผมบุง้งู้จักผมจะให้ข้าเจ้าเอาเงินไปซื้อมวนเทป mm hmm. เพียงไปซื้อมวนเทปนี่ยครับที่แรกให้ผมฝากเงินไปซื้อมวนเทปได้ไหมครับว่ะบมรู้จักเลยครับคนไทยคนภาคกลานคนกรุงเทพเนี่ยบุรู้จักครับ mm hmm. ปีนั้นผมไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเพื่อนมู่คณะสงนี่แหละไปประชุมกันอยู่ที่ทําปุถิสัต์ ท่านเจ้าคุณปัญญาว่ากับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับขอให้ผมไปอบรมกรรมาฐานที่วัดสุนประทานเมื่อไปถึงวัดส่วนประทานแล้วผมก็เลยอยากได้มนเทปไปซื้อมนเทพให้ผมเนี่ยนะครับมม่รู้จักคคําว่าซื้อกับชื่อมันเป็นคําละคํากันเลยทางสําเนียงบ้านเขาว่าซื้อซึ่งรู้จักซื้อนายกนายขอมจัก ซื้อสิ่งซื้อของเขาจักเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นสำเนียงเดียวกันและเมื่อพูดมาแค่นี้ผมก็จะเล่นมาย้อนว่าการไปการมาอีกทีหนึ่งทีผมไปยุคกรุงเทพนะครับบผมไปได้ไปโดยภาระการบางคนอาจจะว่าผมนี่เป็นคนสันโดษอยากไปยุกรุงเทพอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างสังเกตได้แต่ผมไปได้เป็นอย่างสันไปได้ไปตามภาระการผมอยุสายผมนึกว่าผมเป็น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 มันออกจากรงพยาบาลมาไม่ไหม้ครับเขากับยังบุษบดได้กินกินเข้าวบุษบดได้ท่ญญานท่านว่าเนั้นเลยถามจะไปให้เป็นทางการหรือจะทําเอาเองมันจะเป็นทางเพราะว่าผมไปเองก็ได้ในในขณะนั้นผมบนได้นึกว่าเจ้าคณะจังหวเลยจะทําอย่างนั้นครับอันนี้โบเมเอนซีว่าตําหนิและกับโบมว่าซียกย่องว่าความจริงสู้กันฟังครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ขอที่ผมจะว่าเมื่อเนี่ยว่าเป็นความจริงให้ฟังโดยเฉพาะเพือ่อนเลยไปจับเอาหนังสือมาเขียนมาเขียนเป็นหลายลักษณ์อักษรให้เป็นในานามของท่านผมเลยจับนังสือมาที่จังหวัดนองคายมาขออภัยที่จังหวัดน้องคายที่ผมมาฝึกหัดไปเปิดอบรมกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดเลยคือบ้านบุผมครับบ้านผมกีฬา เป็นการเปิดอบรมกรรมฐานครั้งแรกที่บ้านบุกห่มวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่ผมอามัดพยายามแนะนำว่าก้าวกันอยู่เดียวนี้เพราะจ้าคณะจังหวัดเลยได้รวมไม่รวมมือมาตั้งเตตนั น, ะนก็นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดเลยเนี่ยไปเป็นประธานเปิดอบรมกรรมฐานน <c oughs> ะก็มีพระมาจากหนองคาย <c oughs> กบมีหลาย่าน <c oughs> เมื่อจะเว้าองค์นั้นองค์นี้มันก็นลายครับ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 ศึกษาหลักพุทธศาสนานั้นจึงว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักถ้าหากพวกเราเป็นคนเท่าคนแก่หรือว่าผู้ที่หนุ่มน้อยกำลังศึกษาเราเรียนก็ควรศึกษาคือกันวิปัสสนาเนี่ย ในสมัยนั้นผมกับโบ้แมงคนทุกข์คักกันไลยครับกระ บ, บ่กแมงคนรวยพอกลางๆคนพออยู่พอกินนี่เลยครับแต่ผมมีความทุกข์ชนิดหนึง่งความทุกข์ประเภทที่แก้โบได้ครับจะไปแก้ด้วยมือแก้โบได้ <Okay. S 1> คือมันมีความพอใจแล้วก็ไม่พอใจนี่นะครับบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจครับ ผมอยากรู้จักเรื่องพอใจเลยไม่พอใจนี่มันเกิดมาจากใส่ตายแล้วเกิดบ่ผมกขยกักหัวจักตายแล้วไปตกนรกบ่ผมกขยกักหูวจักตายแล้วไปขึ้นสวรรค์บ่ผมกขยกักหัวจักนิพพานเป็นอย่างไงนี่ผมกขยกักหูวจักผมเป็นคนไ่ได้เรียนหนังสือแต่หนังสือบ่เป็นผมจึงจะพยายามทุ่มเทกําลังกายคือการกระทํา ดันั้นผมเจอผมได้ทําอย่างนี้มาผมรู้สึกซาบซึ้งถึงจิตใจผมว่าภัยจะว่าผิดกว่าตามภัยจะว่าถูกกว่าตามผมบบได้งึดโบได้งอโบได้อัศจารย์ให้ทั้งหมดผมรับรองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจจะจริงๆสัจจะแลฝงความจริงถึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีอยู่อย่างนี้ถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีอยู่อย่างนี้มีอันใด คือมีทุกข์นั่นเองครับคือมีความทุกข์นี่แหละประจําอยู่อย่างสิฉะนั้นเรื่องกิเลสกษัตริย์เรื่องอะไรก็ตามรวมควอมแล้วเป็นคือความทุกข์เท่านั้นฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะนี่จิ๋วมาศึกษาและมาปฏิบัติให้รู้จักทุกข์จริงๆจะเป็นคนซาตสใจก็ตามเป็นฝรั่งอังกฤษคือศาสนาใดก็ตามพุทธศาสนา ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะต้องสอนได้ทุกศาสนาครับเป็นศาสนาสกุลแท้ๆบ่จํากัดคือศาสนาคิดมาปฏิบัติกลูกทุกได้คือกันคือศาสนาพามมาปฏิบัติก็ลูทุกได้คือกันการทํำย่างอื่นๆนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องทุกนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็น<ม>เรื่องจําเป็นที่สุด เ, เขาเข้าใจว่าเขาได้ไป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 เพราะจิตใจของเราไม่เป็นปกติหรือตัวชีวิตของเราไม่ปกติตัวชีวิตนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งและตัวจิตใจมันอีกเรื่องหนึง่งตัวจิตใจนั่นเป็นตัวกิเลสตัวชีวิตนั้น่ะเป็นตัวที่ไม่มีกิเลสอันใดทั้งหมดตะนั้นเ้าควรศึกษาเรื่องชีวิตของเราให้มันเข้าใจจริงๆเมื่อเขามาศึกษาเรื่องชีวิตของเขาแล้วเขาจะมีความสุข นิพพานนั้นบนุญแม่งตายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเคยเข้าใจกันว่าทำบุญให้ฐานรักษาสิน้นตายแล้วจึงจะเอานิพพานเข้าใจอย่างรับบเพรว่าคนนั้นคนนี้ผมเองก็คือกันปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าท่านหมดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองใจหรือว่าให้ข้าพเจ้าท่าน ได้นิพพานในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเคยว่าท่านสุดที่นางวัดตะเมทานังนิพพานังปรมังสุขขังออืสุขกันจเอาต่อแต่เมื่อตายุโบอเอาในปัจจุบันนี้แท้ๆผมคือกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆผมอยากว่าอย่างนี้จะได้ครับเข้าใจผิดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่คนอื่นอาจจะบอกเข้าใจผิดขนาดนั้นก็เป็นได้ แต่ความจริงนิพพานนั้นมันมีอยู่ในเฮานี่แล้วครับฉังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล้ายืนยันรับรองว่าทุกคนพิจารณาได้รูได้เห็นได้เข้าใจได้จริงๆที่เขาสวดหลักธรรมคุณอเอหิปฏิโกอันนี้เป็นภาษาบาลีครับ <c oughs> เมื่อว่าเป็นภาษาไทยแล้วว่าควรประพฤติควรปฏิบัติดูได้ที่จิ ในขณะจิตใจของเราบูได้ทูกปุงแตงนั้นเป็นยังไงมีความทุกข์หรือมีความสุขในขณะจิตใจเฮาทุกปุงแตงนั้นเขามีความทุกข์หรือมีความสุขเป็นสอนอย่างตีพระพุทธเจ้ามันจึงบูหลายจึงว่าจิบเดียวเท่านั้นสอนให้บังจิตใจถ้าเฮาเกิดความโกรธขึ้นมาใจเขาปกติบอ โบเมตรปกติโบเมตรตัวชีวิตของเราใจเราบบปกติแล้วนะคําว่าบบปกตินี่เป็นอย่างต้องเป็นทุกข์ทางนั้นดีใจบ่เนี่ยดีใจหัวเราะพอใจอันนั้นกับโบปกติซื่อว่าโบเม่ใจเราดีใจก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งเสียใจก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งก่อนที่จะบบให้มีดีใจและโบให้มีเสียใจจะทำอย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นสอนให้เขามีสติค่ะว่าท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อคือเขามีสติอยู่ทุกเมื่อการนั่งการนอนการกินหรือการเข้าห้องนม้มห้องซ้วมให้มีสติอันนี้เขากระสอนกันอยู่ฉะนั้นวิธีที่เขาเอามาสอนกันนี้ก็เป็นการฝึกสติแต่ฝึกแบบหยากๆซะก่อนครับ สอนให้พลิกมือขึ้นคว่วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเพื่อให้มีสติคุมส่วนอยางเมื่อเขาฝึกอย่างนี้แล้วเขาสีได้รู้จักว่าการขยิบตาการหายใจเข้าหายใจออกการนึกการคิดเราจีได้รู้จัก อันนี้ผมว่าอีกตึมเพืร์นึงครับตอนนี้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนและตัวผมเองก็เคยได้ทำ เ, เวลาหายใจเข้าทําช่วงยาวๆให้มันลึกๆเวลาหายใจออกก็อะให้รู้จักเข้าสั้นให้รู้จักออกสั้นให้รู้จักเข้ายาวให้รู้จักออกยาวให้รู้จักอันนี้ทาทาให้ประณีตดลงไปทําอย่างนี้โบ่บ่มีปัญญาครับ เป็นสงบเมื่อทําละเอียดเข้าไปจะไปเป็นตัวแข่งผมทําผิดมาแล้วครับเรื่องนี้ครับเราไม่ต้องทําอย่างนั้นก็นได้ครับเพียงจะเอาความรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกพอแล้วใครได้ผมรับรองอันเนี้ยรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์อิทธิที่ผมรับรองนี่ผมสามารถและยืนยันไล้ว่าคําสอนของเจ้าต้องสอนอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างเต็ม ภัยจีวะท่านไหนผมกระโบเสื้อเพราะผมเข้าใจอย่างซีดแทนครับเข้าใจอย่างซีเป็นมิตรสาธิติด้วยภัยจีวะเป็นมิสรสาธิตีก็ได้ภัยจีวะท่านไหนก็นได้ครับโบ๊วยว่าสำคัญเรื่องคำเรามันเป็นสิ่งที่สมมุติแต่ขออย่างเดียวว่าเราจะมีทุกข์แล้วก็แล้วกันเมื่อเรามีทุกข์อยู่แล้วนั้นแม้จะศึกษาแปลสับแสงท้องตัวกับตำ้างถ้าหากมีทุกข์อยู่แล้วซื่อว่าผู้นั้น อย่างไม่เข้าใจหลักสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฉะนั้นจะเป็นการวิธีเจริญพุทโธก็ตามอรหังก็ตามผองตามันไปรวมอยู่ที่จิตใจแห่งนั้นการศึกษาปริยัติก็พิจารณาเนื้อความนั้นแล้วก็ต้องมาลงที่จิตใจการฟังครูบาอาจารย์แนะนําคำสอน ฟังแล้วพิ่จรณำก็ไปรวมที่จิตใจที่เขามาเจริญสติปัฏฐานที่พลิกมือขึ้นคขั้วมือหนงนี่ก็ไปรวมที่จิตใจเรื่องจิตใจนี่แหละครับเขาบกค่อยสนใจนเรื่องจิตใจมือหนึ่งวันหนึ่งมันคิดตั้งลอยเรื่องพันเรื่องเราบรู้จักมันเมื่อบรู้จักแล้วที่มันทําทุกข์ให้เราเรียกว่าจิตใจเราถูกปรุงแต่งไป เมื่อเรามีสติมาคุมที่จิตใจนี่จิตใจมจันจะบุกปุุงแปงไปครับการฝึกดูจิตดูใจนั้นสมมุติว่าแมวกับหนูถ้ามีหนูแมวมันต้องคอยดูหนูอยู่เสมอถ้าหักมีหนูกระโดดลงมาแมวมันไหวตะคบเอาโลดหนูมีสิบตัวมีแมวตัวเดียว สามารถที่ยะฆ่าหนูสิบตัวนันได้ฉะนั้นความคิดของเราเมื่อแรกนี่เราหัดดูความคิดของเราเนี่ยมันจะคิดไปหลายเรื่องแต่มันเป็นอารมณ์ไปสติเฮาบ่พอสติเฮาบ่พอมันก็เลยเป็นทุกข์ปรุงแต่งไปเพียงเล็กน้อยมันคิดไปได้เครื่องเครื่องกลางๆเมื่อเราเข้าใจมีสติแล้วมันหายบาไปเลดจนกระทั่งที่เฮาดูความคิดเฮามันคิดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันที มันคิดขึ้นมารู้ทันทีเ อ, อที่ตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาที่ทุกคนศึกษาและปฏิบัติได้นับรองทุกคนทําได้จะถือศาสนาใดก็ได้เพราะคนมันมีจิตมีใจนีครับที่พูดวันนี้โบได้พูดเรื่องรูปนามพูดเรื่องจิตเรื่องใจโดยเฉพาะเพราะว่าเวลาของพวกเราจะได้แยกง่ายกันไปผมเองก็จะออกเดินทางไปไมื่อนี้ เราว่ากันเพื่อทำความเข้าใจเราจะไปศึกษาอยู่ที่ใดก็ได้ศึกษาอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ให้อยู่สวนหรือพาส่งองเงงกำลังศึกษาเล่าเรียนขีดเขียนก็ได้ให้คอยเบื้องจิตใจเมื่อเบองจิตใจของเรามันคิดเมื่อเราเห็นเรารู้เอาเข้าใจความคิดนั้นจะบูถุก ป, ปุงแตงที่หยุดไปเองเมื่อความคิดบูุก ป, ปุงแตงมันหยุดไปเอง เรียกว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสติหรียว่าความรัลึกได้สมตาสัญญาความรู้ตัวอั น, นี้รู้ส่วนภายนอกนี้บ่ อ, อามาว้วาครับเว้าแต่ส่วนภายในโดยเฉพาะเมื่อเรามีสติมีสมาธิคอยเบิงอยู่ส่วนร่างกายเฮานี้ต้องทางานตามหน้าที่คนมันต้องทำงานนียครับว่าทางานโบได แต่นั้นจึงว่าวิธีที่พวกเราทํากันอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเอาไปทํากับการกับงานทํามาหากินได้สบายถ้าเราฝึกเข้าใจแล้วครับอยากทกํากรรมฐานาจะก็ได้เมื่ออยากทําก็ได้เพราะเราฝึกสติให้สติเราเข้มแข็งเมื่อพอดีมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บมันเข้าไปอยู่กับจิตใจรู้เดียวครับมันเห็นจิตใจขเขาทันที มันเข้าไปอยู่ที่จิตใจ ท, ทันทีควมโกธเลยโบเกิดครับวิธีควมโกดควมโลภค่มหลงบบเกิดนี้เป็นวิธีหนึ่งเป็นวิธีเบื้องต้นครับฉะนั้นผมจึงกล้ายืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนมานี้คนเมื่อว่ามีควมโกดควมโลภค่มหลงแล้วก็มีค่มสุขเขายากแค่มากจิตใจเขาปุ่งแตกจิตใจในปุ่งแตก บนแม่นร่างกายผ่งแตปจิตใจสังหาครับจิตใจมันมันหลงมันหลงว่าแค่ลมากและมันมันที่มีความสุขพ่อแม่ปู่ย่าตายายคําบอกว่าหรือพระพุทธเจ้าหรือไผ่ว่ากล อ, องกระบุ้งมาจักคนละย่าเห็นนรกเป็นสวรรค์ท่านเป็นว่าย่าเห็นกลงจักเป็นดอกบัวท่านเฉพาะเดี๋ยวนี้เราเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นกงจักเป็นดอกบัว ทำไมจึงพูดว่าอย่างตา น, นั้นขันอยากสุกยาอยากแคลมากเมื่อเขาไปแคลมากเป็นสุกยาแล้วเขาว่าเขามีความสุขความจริงอันนี้เป็นทุกข์ครับเป็นทุกทุกรอยเปอร์เซ็นพูดนะครับบมเป็นทุกน้อยทุกร้อยเปอร์เซ็นเขาหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ก็ทุกข์กว่าแหงแล้วครับผมเห็นอย่างซี่จึงผมโบเสื้อผ้าทั้งหมดยังซีงไปเอาสิ่งนั้นมาเข้ามามันก็ไม่ของจําเป็นครับ เอาเข้ามาอีกตืมมันก็นยิ่งผลาญหนักเข้าไปตืมยิ่งทุกข์เข้ามาอีกตืมตึงผมเลิกตั้งแต่มื่อ น, นั้นจนกระทั่งแบบนี้โบเป็นอย่างครับควมทุกสิ่งนั้นหมดไปเองถ้หาหากว่าพ่อแม่พี่น้องและครูบาอาจารย์หรือญาติวงทุกคนมันเลิกกับผู้เดียวนั้นโบมีครับเพราะเขาโบได้สัมผัสทางจิตใจเนี้ยมันโบสะดุดใจในแต่ เมื่อเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เ่าให้ฟังว่ามันเป็นทุกขอก์อกกระเสา่าก็มีค่าได้คือกันกับผู้ที่ไปเห็นแจ้งโดยสะดุดใจเอาว่ามันเป็นทุกข์นั่งกะมีค่าเข้ากันครับอย่างที่ผมว่านี่โอ้พี่เจนาโอ้ทุกจริงจริงได้วพราะฉะนั้นเส่ากระได้คือกัดวันนี้เพื่นว่าข่มโกดเป็นทุกข์เด้อพี่น้อย่างที่พ่อแม่พี่น้องเขาทุกคน เขาเคยโกรธโมโหทะเลาะ ก, กันผิดเถียงกันนี่ครับเขาต้องต่อว่าต่อเถียงกันอยากเอาชนะมันเป็นทุกข์จริงๆทุกร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็ได้ครับบันนี้ยังสมมุติว่าเพิ่นบุได้ประสบด้วยปัญญาบุาเห็นแจ้มทางพัฒนาจิตใจได้ยินครูบาอาจารย์ว่าให้ฟังว่าโอ้การทะเลาะ ก, กันผิดเถียงกันนี่เป็นทุกข์เด้เขากระเซาซักกระไซได้คือกัน ผมสะดุดใจผมว่างานทะเลาะผิดเถียงกับคนอื่นนั้นทุกทุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผมเข้าใจอย่างซี่งจึงผมว่าจะเรื่องทุกผมโบได้เข้าใจเื่ออื่นและเราไปติดสมมุติต่างๆซิ่งสิ่งที่สมมุตินั้นมันแก้ทุกให้เราโบาได้แม้เราจะไปไหว้ทีไหว้เทวดาแก้ทุกโบได้เมื่อผมเข้าใจอย่างซี่งนะครับ ผมปรากฏทางจิตใจมเมื่อผมว่ายังซี่คูบาอาจารย์หรือพอออกไม่ออกที่หาว่าผมว่าเอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยผิดแล้วพูดจังสีผิดเป็นอาบัติปราชิกไปเสียแล้วก็ยอมรับครับในบทปราชิกซีในมาว่าเสพเมทุนหนึ่งรักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่ง พูดอวดปุตตะลิมนุสสาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนหนึ่งอันนี้เขาเข้าใจขักขัด้ครับถ้าเราเข้าใจคักขัแล้วผิดเศฟเมทุนเราจะเข้าใจว่าตรงกันข้ามกับโบแมนเนี่ยครับลักของเขาเราจะเข้าใจว่าไปลักเงอนลักของซื้อซื้อกับโบแมนครับถ้าสัตว์เราจะไปเข้าใจว่าค่าสัตว์ที่มีลมหายใจยังกับโบแมนอีกจุดหนึ่ๆๆนง พูวดอวดอุตริมนุษษาธรรมคือทรรอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนอนังการแมนอยู่จริงแล้วเราพอเข้าใจคำนี้จริงครับผมไปนั่งทำกรรมฐานผมเข้าใจอย่างสิครับฉะนั้นผมจึงพอได้เสื้อของครูบาอาจารย์การลักของเขานั้นคือหมายถึงทรงจำมาจากลำดัดตำราผมเข้าใจอย่างสิครับการลักของคนอื่นพระพุทธเจ้าพระฤๅษีสอนมา จำแล้วเอาไปว้าวนเจ้าของปฏิบัติบตโบได้กับตันซาเพคนโบได้สอนอย่างนั้น mm hmm. เจ้าของต้องปฏิบัติได้และทําอย่างนั้นได้จริง mm hmm. เป็นของเรามาจริงๆ mm hmm. เอาไปวา่าบุพถ mm ิ hmm. เศตรเมทุนเจ้าของจะไปโยกับคนซัวคนผานคนโงูเศตเมทุนท น, นี่หมายถึงจิตเศตรเมทุนหรือตรงกันข้ามกับบุญวิจักยังไง ห, หมายถึงการไปรยูน่นํา การไปยุ่กับคนพาลหรือการไปยุ่กับคนทิสลาดหรือจิ ว, วะเนี่ยไหนกรตามล่ะครับผมเข้าใจตรงสิ่จริงๆครับหมายถึงไปยุ่น้านี่ละเซฟนะครับหรือเราจะเซฟกับเนี่ไหนกระตามซานะครับหมายถึงอันนี้ลักของเขาก็หม่ถึงไปจดจํามาสิ่งที่เจ้าของทําไม่ได้ถ้าสัตว์หมายถึงความจริงมีอย่างหนึ่งพูดไปอย่างนึงอันนี้เป็นปรการ การฆ่าสัตว์ครับคือมรรคผลนิพพานมีอยู่ในคนทุกคนและมาทำให้เป็นความยุ่งยากขึ้นมาพูดไปโดยเป็นยั่งอื่นไปความจริงแล้วสัจจะอันนั้นเราก็เลยสิบุด้เห็นนี่เป็นการฆ่าสัตว์พูดอุตรีมนุสสาธมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนทำที่ควรรู้ทำที่ควรเห็นหรือมรรคผลนิพพานอันสูงสุดนั้น รู้ได้ทุกคนเมื่อบรรลุนั้นเพื่อนเรียกว่าเป็นปู่ทุกสนเมื่อรู้แล้วเพื่อนว่าเป็นธรรมอริยบุคคลฉะนั้นเราบรได้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เขาว่าเป็นสุขเมื่อเรามาเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกข์มันก็ทุกจริงๆสิ่งที่สุขมันก็สุขจริงๆจีบวะทุกข์มีจริงสุขมีจริงนรกมีจริงสวรสด์มีจริงพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร เขาเลยไปเข้าใจว่าทุกไม่มีจริงดอกสุขไม่มีจริงมันเลยไปตรงกันข้ามอย่างสิฉะนั้นมือ น, นีต้องขอขอเว่าเป็นการโคกกันกระแมนเป็นการเคาะกันต้อยกันกระแมนเขาต้องพยายามศึกษาให้ทูกจริงๆครับซึ่งเสพติดมืนเมาภายนอกเนี่ยเต็มทุกเขาอยู่ตั้งแต่ตัวเขาซื่อๆนี่พอแหงแล้วครับฉะนั้นพรจะว่างให้รู้จัก ก็ประมาณเครื่องใส่ไม่สอยทุกสิ่งทุกอย่างจึงบุพเพหงพลังไปใส่มาใส่คือกันอันนี้โบเมนผมซีเว้าอวดครับเว้าผมจริงผมไปใส่มาใส่เครื่องของผมโหลายจากเคื่องผมเห็นว่ามันเป็นทุกข์ผมจึงบุค่อยเออย่างปหลายมันเป็นทุกข์บางคนที่ไปใส่มาแส่ป่าโทอืถห้าไปว่ไหวใส่รถใส่ล้อใส่เกียนไปแน่มันติดกันอย่างที่จีบ คนประกอบด้วยทุกอยู่ด้วยทุกและคนอยู่ในทุกออกจากทุกบุได้ทุกสิ่งนี้เขาจะไปเข้าใจว่าวัตถุสิ่งนั้นเป็นทุกข์บ่ใจพุ่นนะครับใจพุ่นนะมันบุกจักใจมันบอดใจมันมือมันก็เลยทุกทางร่างกายนีเข้าไปครับเมื่อร่างกายทุกใจมันบุกจักแบบมันได้ไซเขาได้รับใจเพราะนวจิตเป็นนายกายเป็นเรือ สติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนตายอันนี้อยี่ยพระวรทองไปสอบอารมณ์ไปให้ข้อคิดว่าแต่จังซี้หระผมก็เลยบอกเข้าใจว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนตายผลที่สุดบางทีเพิ่์นอาจจะรู้คือกับผมกระบอกหัวจักหรือบุรุษ ก, กับผมกระบอกหัจักผมเข้าใจจังซี้แล้วไปเว้าวกเพิร์นเพิร์นว่าคูบาจานหลายหลายองค์ว่ามันผิดว่าสันเพิ่์นไวผมเพรามันผิดว่า ผิดผมกะหลับหลับว่าผิดมันผิดเพิ้นแต่มันทูกผมทูกพ่อจังเลยทูก พ, พ่อผมเสาเลิกสิ่งเสพติดหมื่นเมาได้ทุกประเทศครับทุกอย่างรับรองร้อยปเซ็นตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมบอกเอามาแทะผมเห็นว่ามันเป็นทุกจริงๆประเทศที่หนึ่งสิ่งที่มงมงายเหลวไหลไล่สะละผมไม่ทำผมนึกว่าเทวดามาไหว้นึกว่าผี่มาไหว้ ซึ่งที่เป็นของขังการปลุกเศษใส้หนังบังฟันงัทธนูพูหน้าน้อยผมจะได้เอามาท่า่ายให้พ่อแม่พี่น้องมือนีห้าหากให้มีงัทธนูพูหน้าน้อย